ส่วนฟังคำแลนี่คือพุทธประวัติจากพระโอษคะ่ะเรื่องการเสด็จสุทาวาสตรัสแกภิกษุทั้งหลายว่าในกาลครั้งหนึ่งเราพักอยู่ณควงพญาไม้สาละป่าสุภวันในเขตอุกกาตถานครเมื่อเราเร้นอยู่ณที่นั้นได้เกิดความคิดขึ้นในใจว่าพบเป็นที่กําเนิดที่เราไม่เคยกําเนิดนั้นไม่หาได้ง่ายๆเลยนอกจากชั้นสุทาวาสประเภทเดียวถ้ากระไร เราพึงไปหาพวกเทพชั้นสุดทธาว่าเถิดลำดับนั้นเราได้ออกจากควงพญาไม้สาระป่าสุพวันในเขตอุกะกัดธนครไปปรากฏอยู่ในหมู่เทวดาชั้นอวิหารวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วหงอเข้าเท่านั้นภิกษุทั้งหลายหมู่เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากในเทพนิกายนั้นได้เข้ามาหาเราครั้นไหวแล้วยืนอยู่ที่ควร พวกเทพชาวสุทธาวาสชั้นนั้นได้ทูลเล่าเรื่องการมาเกิดขึ้นในโลกของบรรดาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะคะว่ามีชาติชื่อโคตศีลธรรมปัญญาวิหรารธรรมและวิมุตต์ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและเล่าถึงความที่ตนเองได้เคยประพฤติพรอาจรรย์ในพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆจึงได้มีการคลายความพอใจในการทั้งหลายและมาบังเกิดในพรหมวิมาน น, นั้นๆ พระพุทธองค์ตรัสต่อนะคะว่าในลำดับนั้นเราพร้อมด้วยเทวดาชั้นอวิหาได้พากันไปยังสุดท่าว่าชั้นอตตปาเราพร้อมด้วยเทวดาทั้งสองชั้นได้พากันไปยังสุดท่าว่าชั้นสุทัศสาสุทัศสีและรวมพร้อมกันหมดก็ไปยังสุดท่าว่าชั้นสุดคืออกกนิฐาแล้วเทพเหล่านั้นก็ได้กล่าวเล่าข้อความกราบทูลพระองค์ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้ว แล้วก็เล่าถึงการประพฤติพรหมจรรย์ของตนในชาติที่พบพระพุทธเจ้านั้นในทํานองเดียวกันทุกชั้นท่านผู้ฟังคะดิฉันนาเอาเรื่องนี้มาอ่านเนี่ยก็ทําให้ดิฉันเองและเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้เห็นว่าเทวดาเนะี่ยมีจริงนะคะแล้วพระพุทธองค์เนี่ยก็เคยได้ตรัสเอาไว้ว่าในยุคสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์ได้เคยไปพบหมู่เทวดานี้อย่างไรแล้วก็ได้มีเรื่อง ในอดีตการจนมาถึงในครั้งนั้นว่าเป็นอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับเทวดาดังกล่าวนั้นนะคะนี่ก็คื อ, อสิ่งที่เป็นพุทธประวัติจากพระพุทธองค์จากพระโอษค่ะในรายการสันสนีสนทนานะคะก็จะนำค่ะเอามาอ่านให้ท่านฟังฟังกันอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะได้ทำให้เราได้รู้ถึงพุทธประวัติตลอดจนถ้อยคาสำนวนภาษาแบบพุทธ รายการนี้เราอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะได้เข้าถึงคําสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําสอนที่เป็นพุทธวจนะจากพระโอษฐ์เราก็จึงได้ตั้งแต่ตอนต้นไม่ว่าจะเป็นในช่วงของถามโลกตอบธรรมในช่วงของอ่านพุทธประวัติตลอดจนกระทั่งหนังสือนังสืที่นํามาแจกเนี่ยจะเน้นไปนในทางนี้ทั้งหมด ะะแล้วก็ที่เรากำลังจ่ายอยู่ในขณะนี้ก็คือหนังสือพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะรวม43เรื่องธรรมวินัยจากพุทธโอษ์อยู่ในนั้นให้พวกเราได้ค่อยเรียนรู้ไปสาหรับท่านที่อาจจะหยงแยงหนังสือเล่มหนาเล่มใหญ่อย่างที่มีปรากฏอยู่นะคะแล้วก็ยังจะมีย่อยกว่านี้เพราะถ้อยคาของพระพุทธองค์เนี่ยเราสามารถ อ่านทบอ่านทวนใคร่ครวนตามไปด้วยแล้วก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวเองมีร้อยคาถาตถาคตนะคะทีะ่ท่านภัยบูรณ์ได้ทำรวบรวมเอาไว้สอดคล้องกับหนังสือที่ท่านอาจารย์คึกิ์ได้ฝากมาเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ดิฉันจะได้ค่อยๆมาแนะนำให้รู้จักพระส่วนตัวเนี่ย จะพกติดตัวรลอเป็นแผ่นพับนะคะเอาไว้เวลาเราไปนั่งคอยใครหรือบางทีรถติดเนี่ยสั้นๆอ่านได้แล้วเราก็มาใครครวนทำนั้นตามก็สะดวกดีเกิดประโยชน์ดีจะมอบให้เป็นของที่ระลึกในช่วงที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่2553แล้วก็จะมาประกาศให้ทราบ ว่าจะติดต่อรับกันอย่างไรแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นที่เดียวกันกับพุทธวั์เนี่ยแหละนะคะคือที่02 269 0006และ02 269 0 0 6 0ซึ่งขณะนี้ท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เราแจกวันละห้าเล่ม น, นะคะวันนี้เราก็ลากันไปเพื่อพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ